ต่อไปนะครับว่าผู้ที่สามารถจะชี้แนะนะครับให้เห็นเรื่องกรรมดีกรรมชั่วกรรมดํากรรมขาวนะครับกรรมที่มีโทษกรรมที่ไม่มีโทษกรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขในโลกนี้กรรมที่เป็นไปเพื่อความทุกข์ต่อไปในโลกหน้าเป็นต้นเนี่ยนะชี้ให้เห็นโลกนี้โลกหน้าโดยประจักษ์แสดงทําให้เลิกละกุศลกรรมแล้วให้ตั้งอยู่ในกุศลกรรมทั้งหลายการแนะนําในลักษณะนี้เรียกว่าธรรมทานนะครับ การให้ความรู้เหล่านี้เป็นต้นอย่างดีเนี่ยเรียกว่าธรมาธรมทานธรรมทานอันน่ะธรรมทานแบบนี้เนี่ยนะท่านนับแบบโลกิยะและประเสริฐเลิศแล้วนะครับการให้ธรรมทานแบบนี้นะถ้าพูดสำนวนธรรมทานแบบโลกิยะธรรมทั้งหลายอันนี้เป็นของดีของเลิศของประเสริฐแล้วเทนี้ถ้าหาว่าให้ธรรมทานเพื่อโลกุตระล่ะก็คือคนบางคนในโลกนี้ชี้แจงสัจจะทั้งหลายให้เห็นชัดชี้แจงสัจธรรมหรือความจริงให้เห็นชัดว่า ทำเหล่านี้นะเป็นอภินญญยธรรมเป็นธรรมะที่ควรรู้ยิ่งเป็นธรรมะที่ควรรู้แจ้งแทงตลอดธรรมะเหล่านี้นะเป็นปริญญยธรรมเป็นธรรมที่ควรรอบรู้เป็นธรรมที่ควรกําหนดควรพิจารณาควรใคร่ควรเพ่งพินิษพิจารณาให้ละเอียดสุขุมเออธรรมะเหล่านี้นะเป็นประหาตัปธรรมเป็นธรรมะที่ควรละควรประหารนะครับควรทําลายควรตัดนะครับไม่ควรส่งเสริมโดยประการทั้งปวงว่าไงเนี่ย หรือว่าแยกให้เห็นว่าเออนี่นะเป็นสัจชิกาตประธรรมเป็นธรรมะที่ควรทําให้แจ้งนะครับเออธรรมะเหล่านี้เป็นภาเวตประธรรมเป็นธรรมที่ควรเจริญแล้วก็แสดงธรรมะอันเป็นข้อปฏิบัติเพื่อบรรุกโลกุตระธรรมอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้นี่นะครับเพราะฉะนั้นชี้ให้เห็นว่าเออนี่นะเป็นอภินยยธรรมนะครับหมายถึงอริยศาสตร์ทั้งสี่ประการเป็นธรรมะที่ควรรู้แจ้งรู้จริงนะนะเช่นธรรมะที่ควรรู้ยิ่ง ธาตุสองอย่างเงนะครับสังกัตธาตุอสังกัตธาตุธรรมะที่ควรรู้ยิ่งในแกอริยสัจสี่ธรรมที่ควรรู้ยิ่งในแก่วิมุตตายตนาห้าธรรมที่ควรรู้ยิ่งในแกอนุตริยาหกธรรมที่ควรรู้ยิ่งในแก่นิทัศวัตถุสิบเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ควรรู้ยิ่งนะแต่ในขณะเดียวกันคุณจะรู้ยิ่งธรรมะเหล่านี้ได้คุณต้องกําหนดรู้ถึงที่ควรกําหนดรู้นะเช่นกําหนดรู้ขันรู้ธาตุรู้อายตนาทั้งหลายคุณจะต้องละสมุทัยนะละบาปละอกุศลละกิเลสทั้งหลาย คุณต้องทําให้แจ้งพระนิพพานนะนี่คือข้อปฏิบัติที่ควรเจริญคือได้แก่อริยศีลสมาธิและปัญญาเป็นต้น น, นะชี้แจงให้เห็นตามข้อปฏิบัติเพื่อแทงตลอดโลกุตระธรรมอย่างนี้ชื่อเรียกว่าธรรมทานขั้นสุดยอดนะครับนะก็คือชี้ให้เห็นคําสอนที่เป็นไปเพื่อโลกุตระตามที่พระองค์ได้ทรงสแสดงนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นการให้ทําเป็นทานก็แบ่งออกเป็นสองอย่างคือชี้แจงแนะแนวในเรื่องกรรมบท ทั้งที่เป็นกุศลกรรมบดอกุศลกรรมบดนี่อย่างหนึ่งนะครับระดับนี้เขาเรียกว่าระดับชั้นกรรมมัศกตาปัญญานะครับแต่ถ้าระดับสูงคือไปกว่านั้นก็แนะนําให้ระดับวิปัสนาปัญญามัคคปัญญาและผลปัญญาเป็นต้นนะครับเอาระดับสูงสุดนะการแนะนําลักษณะนี้เขาเรียกว่าให้ทําเป็นทานนะทีนี้ในสองอย่างเนี่ยนะระหว่างธรรมะเป็นทานเนี่ยนะคือกับอามิตรเป็นฐานคือให้ปัจจัยสี่เป็นทาน กลับให้ธรรมะเป็นทานอย่างที mm ่ก hmm. ล the ่าวแล้วนี่นะบทว่าเอตทรขังนี่นะครับแปลว่าธรรมทานเนี่ยเป็นเลิศนะครับเอตังอขังเนี่นะครับคือธรรมทานอย่างที่กล่าวไปเนี่ยเป็นเลิศนะครับแม้กระทั่งให้แนะนําในเรื่องกุศลกรรมบท10ก็นับว่าเลิศอยู่แล้วแต่ถ้าแนะนําให้รู้ชัดว่าเออนี้ธรรมะเรานี้ควรรู้ยิ่งนะธรรมะเรานี้ควรกําหนดรู้ธรรมะเรานี้ควรละธรรมะเรานี้ควรทําให้แจ้งธรรมะเรานี้ควรเจริญนะครับ เนี่ยนะเป็นข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุอมรรตะธรรมอย่างนี้ก็เป็นธรรมทานอย่างสุดยอดนะครับบอกว่าย่ทิทั้งความว่าบรรดาทานสองอย่างเหล่านี้ธรรมทานที่กล่าวแล้วนี้นั้นเนี่ยเป็นเลิศคือประเสริฐได้แก่สูงสุดอธิบายว่าบุคคลนี้จะหลุดพ้นจากอนัตถอนัตถะนะคือเช่น น, น, นะครับ อนัต t h คือสิ่งที่เป็นไปเพื่อความเชีพหายเนี่ยนะครับเช่นสิ่งที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ในโลกนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์ในโลกหน้าไม่ได้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนนเนี่ยนะครับเนี่ยนะเพราะว่าให้หลุดพ้นจากอนัต t h ก้าวล่วงทุกขในวัฏฏะทั้งสิ้นได้ก็เพราะอาศัยธรรมทานนะครับถ้าพระพุทธเจ้าไม่ประทานธรรมทานก่อนพระสาวกทั้งหลายเนี่ยนะครับจะรู้แจ้งแทงตลอดบรรลุอริยธรรมหรือนะครับเพราะว่าธรรมทานนี่แหละครับเป็นอุบายเครื่องอยังสัตว์ให้ถึงพระนิพพานนะครับ เป็นอุบายเป็นเครื่องอย่างยางถึงทาให้ศาสตร์เนี่ยพ้นจากวัตถุก็ธรรมทานที่เป็นโลกิยะเป็นเหตุแห่งทานทุกอย่างคือเป็นรากเง่าของสมบัติทั้งปวงนะครับธรรมทานเนี่ยนะเป็นเหตุของทานทุกชนิดนะถ้าหากว่าไม่มีธรรมทานแนะนำเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปอามิสสถานนี่จะมีการให้หรือ จะมีการให้จะมีการบริจาคหรืออนาถบินทิกาเศรษฐีเนี่ยที่สร้างวัดสร้างวาเป็นต้นเนื่องจากได้รับธรรมทานก่อนนะครับเนื่องจากได้รับธรรมะก่อนนะครับอนาถบินทิกาเศรษฐีจึงให้อามิสทานในภายหลังนะครับอนาถบินทิกาเศรษฐีหรือนางวิสาขาเป็นต้นนะครับอริยะสาวกทั้งหลายในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารเป็นต้นเนี่ยนะครับที่เป็นคนที่หนักหนักไปด้วยการให้อามิสเป็นฐานเนี่ยนะคนเหล่านั้นได้รับธรรมทานก่อน นะครับได้รับธรรมทานแล้วอ่ะเขาจึงให้อมิสทานในภายหลังแม้แต่พระเจ้าอาโศกมหาราชผู้บำเพ็ญมหาทานอย่างยิ่งใหญ่พระเจ้าอาโศกมหาราชก็ได้รับอธรรมทานก่อนนะครับจากนีโคด ส, สัมมณ น, น, นะพระเจ้าอาโศกจึงมาทํากุศลบาเพ็ญคุณงามความดีมากขึ้นแม้กระทั่งพระราชาในเมืองประเทศศรีลังกาทั้งหลายเนี่ยที่ทำบุญทำกุศลก็เนื่องจากได้รับธรรมทานมาก่อนเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งคนไทยคนประเทศไหนทุกวันเนี่ยนะที่ยังสร้างคุณงามความดีกันอยู่เนี่ย คนเหล่านั้นได้รับธรรมทานก่อนนะครับได้รับข้อแนะนําก่อนเขาเหล่านั้นนั้นจึงทําอามิสทานนะครับเพราะฉะนั้นอย่างบางคนก็อาจจะนึกว่าเอ๊ะทำไมศรัทธาเขาไม่ค่อยทําบุญกันเลยทุกวันเนี่ยนะก็ดูว่าศรัทธาได้รับธรรมทานหรือเปล่าถ้าศรัทธาทั้งหลายไม่ค่อยได้รับธรรมทานเลยไม่มีความรู้เรื่องกรรมผลของกรรมอะไรสักอย่างมาจะให้แต่เขาทําบุญเนี่ยมันคงเป็นยากนะครับนะ <ité> <c oughs> เราก็คิดอย่างนี้ว่าเอ๊ะแล้วเราคิดจะเอาอะไรไปให้ใครบ้างนะครับถ้าเราจะคิดจะเอาอย่างเดียวอย่างเดียวเนี่ยนะ นะลักษณะเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราจะเอาผ ล, ลไม้นี่เราต้องรดน้ำพรวนดินก่อนนะครับผลไม้มันจึงให้ผลชั้นใดก็ดีถ้าเราไม่ทํานุบํารุงรักษาเขาด้วยธรรมะเลยนะครับแม้จะเอาแต่อา ม, มิตรของเขาอย่างเดียวนี่ก็ค้ากำไรเกินไปมั้งนะครับถ้าหากว่าให้ทานไปแล้วเดือดร้อนใจในภายหลังเนี่ยดีไหมอย่างนั้นเถะนะคือที่จริงแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าให้ทานเนี่ยนะจะให้เท่ากับพระเวสสันดรก็ให้เถอะ แต่ต้องรักษาใจได้เหมือนพระเวสถันดร น, นะนะถ้าถ้าทำได้อย่างนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ถ้าหากว่าให้ไป3บาทแต่เสียใจยในภายหลังก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นวัตถุไม่ได้เป็นเกณฑ์หรอกครับจะให้มากให้น้อยก็ช่างเถอะแต่สำคัญที่สุดนะครับพระพุทธเจ้าสอนเรื่องการให้ที่ประกอบด้วยองศาคือก่อนให้ผู้ให้ก็มีศรัทธาเลื่อมใสนะครับแล้วก็มีปรารภกรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้านี่นะ หรือว่ากําลังให้ใจก็เลื่อมใสให้เสร็จแล้วก็รักษาใจไว้ได้เนี่ยนะครับถึงเมื่อไร่เมื่อไหร่ก็นอนแล้วก็นึกถึงบุญอันนั้นก็ยังปลื้มใจนะครับก็เอาตรงนั้นเป็นเกณฑ์นะครับเพราะว่าคนที่เขาเขาทำบุญเขาบริจาคเกินกว่าล้านเนี่ยนะก็มีเยอะแยะไปประเด็นที่สําคัญที่สุดเขารักษาใจได้นะครับเนี่ยนะจะให้มากให้น้อยไม่เป็นเกณฑ์นะครับเกณฑ์ที่ว่าเจตนาที่เป็นไปใน3การคือก่อนจะทํากําลังทําแล้วก็ ทำเสร็จแล้วรักษาใจไว้ได้เพราะองค์สารเสริญทานที่ประกอบด้วยสามอย่างและเป็นทานที่มีปัญญาประกอบเพราะว่าการจะให้ทั้งหลายก็ควรพระองค์ตรัสว่านะถ้าหากว่าให้เพื่อมีผลมากอ น, นิสงฆ์มากพระองค์ตรัสสอนในเรื่องการเลือกให้เพราะว่าถ้าไม่เลือกให้นะครับเราจะรักษาใจในวันหลังได้ไหมล่ะ เนี่ยนะไปเที่ยวให้คนอื่นไปหมดนะเช่นโอ้โหไปเที่ยวรับเด็กมาเลี้ยงไปหมดเสร็จแล้วเด็กมันไปติดอยู่ติดยาเป็นต้นแล้วมา น, นั่งเสียใจไม่น่าเลี้ยงมันเลยถ้าอย่างนี้ก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่างใจไปด้วยว่าเออเราเอ า, เอาบุญนะเออบุญเหล่านี้เราก็ทําเสร็จไปแล้วบุญเราก็ได้ไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรถ้าเทียบไปเหมือนกับเศรษฐีสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนะครับนะเศรษฐีนี่นะครับสร้างกุฏินะครับสร้างกุฏิมูลค่าเป็นหลายสิบล้านด้วยซ้ําไป นะครับเป็นกุฏิเป็นทองคํานี่ย น, นะเป็นพุทธบูชาเนี่ยนะสร้างกุฏิให้พระพุทธเจ้าเสร็จแล้วเขาก็มามีโจนเนี่ยครับมาจุดไฟเผากุฏิเศรษฐีเนี่ยตบมือดีใจว่างั้นถามว่าทําไมดีใจอาบุญที่ทําไปแล้วมันก็ได้บุญไปแล้วอะ่ะนะครับบุญที่ทําไปแล้วไฟก็ใหม่ๆน้าก็ใหม่ท่วมไม่ต้องไปเดือดร้อนทําอะไรมันใหม่ก็ใหม่แต่วัตถุใช่ไหม mm hmm. เดี๋ยวทําเอาใหม่ก็ได้ทําใหม่ก็ได้บุญเพิ่มอีกนะี่ยเาก็ฉลาดคิดแบบนี้นะครับเขาทําเอาบุญ แต่ในนี้ต้องเลือกนะทำเอาบุญหรือทำเอาวัตถุถ้าทำเอาวัตถุถ้าวัตถุนั้นเปลี่ยนแปลงเสียใจแน่นอนนะครับพระพุทธเจ้าตรัสว่าความรักเนี่ยนะครับมีโสกะปริเทวะทุกขโทมานัตและอุปาญาตเป็นผลเมื่อสิ่งเหล่านั้นนนั้นเปลี่ยนไปนะครับนั้นถ้าเราทํามากแต่ถ้าทําเพื่อวัตถุถ้าวัตถุนั้นเปลี่ยนเราก็แย่นะครับถ้าสมมุติจะสร้างโบสถ์เพื่อโบสถ์ด้วยนะถ้าโบสถ์มันร้าวเนี่ยเราก็นอนไม่หลับแล้วนะครับ แต่ถ้าสร้างโบสเพื่อบุญเอา้าทําเสร็จก็ได้บุญไปแล้วนะครับแผ่นดินมันจะไหวน้ําจะท่วมกวับเรื่องของมันไปเพราะว่าไอ้ที่ทำเนี่ยมันทําเอาบุญไม่ได้ทําเอาโบสนะครับ <c oughs> นั่นแหละเพราะฉะนั้นประโยชนประเด็นสําคัญก็จับตรงนี้เอาไว้นะครับแล้วไอ้ที่ให้ผลไม่ใช่โบสไปให้ผลบุญเนี่ยเป็นตัวให้ผลนะครับนะเหมือนกับทาบุญใส่บาตรให้พระสอ ง, องค์ข้าเจ้าชันเนี่ยนะครับถามว่าทําเอาข้าวหรือทำเอาบุญถ้าทําเอาข้าวแย่ yeah, นะครับถ้าฉันหมดและยุ่งเลยเหมือนกันนะ ะอาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มมีอุจรประสวะเป็นผลนั่นเป็นผลของอาหารนั้นถ้าทําเอาข้าวนี่แย่นะครับเพราะมันหมดแล้วะนะเพราะฉะนั้นควรทําเอาบุญนะครับตั้งจิตเจตนาว่าสิ่งที่เราเป็นบุญเนี่ยนะยับยั้งชั่งใจตั้งกับต้นนะครับเพราะฉะนั้นทางที่บุคคลเลือกให้พระพุทธเจ้าสารเสริญนะครับเพราะฉะนั้นต้องคํานวณ3มประการนี้ให้ได้เมื่อทําไปแล้วรักษาใจได้ไหมนะครับ ถ้าสิ่งนั้นๆเนี่ยจะเกิดขึ้นเน่ยนะถ้าไฟจะไหม้น้ําจะท่วมเป็นต้นในของที่เราลงทุนลงแร ง, งทําไปเนี่ยทําใจได้ไหมเพราะอะไรครับเพราะของในโลกนี้มีอะไรแน่นอนบ้างนะครับนะเพราะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าทําเอาของนะครับถ้าของถูกไฟไหม้ถูกน้ําท่วมเราก็เดือดร้อนใจเพราะฉะนั้นยังไงยังไงถ้าเราจะค่ากุศลกันเนี่ยนะครับก็กุศลเนี่ยอยู่ที่เจตนาของเราเนะทําไปแล้วรักษาเจตนาของเราไว้ให้ดีนะครับ ถ้ารักษาเจตนาในการสามไม่ได้นะครับโดยเฉพาะครั้งที่สามเนี่ยนะครับอะ ป, ะปราริยะเจตนาถ้ารักษาไม่ได้เกิดชาติหน้าเราจะเป็นคนตนีนะครับเห็นะถ้าวากให้ทานไปให้ไปเท่าไหร่ก็ช่างเถอะให้เสร็จแล้วมารำพึงรำพันเสียอกเสียใจเสียดายในภายหลังเนี่ยนะครับถ้านั่งเจริญความคิดแบบนี้มากๆเกิดในชาติต่อๆไปจะเป็นคนตนี่นะครับ จะเกิดมาเป็นปูโสมเฝ้าทรัพย์อย่างเดียวนะครับไม่กล้าใช้ทรัพย์อะไรหรอกก็จะเป็นลักษณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการให้นะก็รักษาใจให้ดีกันแล้วกันนะครับ น, นะมากน้อยไม่ได้เป็นประเด็นที่สําคัญนะครับจะมากก็าตามจะน้อยก็าตามวัตถุนั้นจะเลวจปะปณิดก็าตามถ้าหาว่าบุคคลทําด้วยจิตที่เลื่อมใสแล้วมุ่งอุทิศไปแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเหล่านั้นที่เลวไม่มี นะครับบุญที่เลวไม่มีเพราะฉะนั้นชำระจิตให้ถูกนะครับถ้าชำระจิตให้ถูกบุญเหล่านั้นก็จะเป็นบุญที่มีผลมากมีอนิสงฆ์มากก็พระ อ, องค์ตรัสไปอย่างนี้นะครับหลวงพ่อถามว่าเออถ้าหากว่าให้ทานกับพระที่เสียหายเนี่ยนะครับใช่ไหมครับเสียหายในแต่ละวันแต่ละคืนออกข่าวหนะน้าหนังสือพิมพ์ไปทําบุญกับพระเหล่านี้เนี่ยจะได้บุญไหมจะได้บุญไหมเออนะคำถามแบบนี้ก็น่าคิดนะครับพระพุทธเจ้าบอกว่า บุคคลที่มีกุศลเจตนาเนี่ยนะครับล้างบาตรเหมือนั้นเนี่ยล้างบาตรล้างถ้วยล้างชามเนี่ยนะมันมีเศษอาหารปนปนอยู่ก็สาดออกไปเออด้วยหวังใจว่าพวกมดพวกปลวกพวกมแมลงทั้งหลายก็จะได้เก็บกินอันนั้นนะนะอันนั้นก็ยังมีผลเมียนิสง์เลยนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าผู้ที่ให้ทานแกสัตว์เดรัจฉานพึงหวังผลแห่งทักษิณาทานร้อยชาตินะครับ คือจะเจริญด้วยอายุวรรณัสุขะและภละนะครับถ้าหากเาให้ทานแก่มนุษย์ทูตศีลก็มีอนิสงส์พันชาตินะครับทําให้ทานกับผู้มีศีลก็มีอนิสงส์แสนชาติถ้าให้อ่าให้ทานกับฤาษีนักบวช น, นอกาศาสนาที่ได้ฌานอภิญญาก็แสนโกรชาตินะครับถ้าหากว่าให้ทานแก่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อโสดาปฏิผลหาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าให้ทานกับคนทูตศีลเป็นต้นเนี่ยนะ ถ้าพูดแบบไม่เกรงใจก็มีบุญได้บุญมากกว่าให้ทานกับสัตว์เดรัจฉ า, านนะครับเขาจะเลวเขาจะชั่วก็ได้บุญมากกว่าสัตว์เดรัจฉ า, านนะครับถ้าถ้าจะเปรียบเทียบแบบนี้นะนะพระ อ, องค์ตรัสไว้อย่างนั้นนะครับแต่ไอาบุญเนี่ยมันได้แล้วล่ะแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันนะน ะ, ะมันมีบุญอย่างอื่นที่ทําแล้วมันได้ผลกว่านั้นะนะถ้าจะเลือกทำนะนะมันมีสิ่งที่มียนิสง์มากกว่านั้นถ้าจะเลือกทํานะครับ แต่ว่าถึงจะทํากับคนทุศีลคนไม่มีศินก็มีผลนะครับมีผลแต่มากน้อยเนี่ยตามสมควรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ให้เลือกให้กับคนที่มีธรรมเป็นต้นเนี่ยนะครับทีนี้เอกคนที่มีศีลมีธรรมก็รู้ยากนะครับศีลจะพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันนานๆนะครับแล้วคนมีปัญญาเท่านั้นจึงจะรู้ได้คนไม่มีปัญญารู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเอถามว่าแล้วอย่างนี้จะปฏิบัติตัวกันยังไงในยุคนี้พระพุทธเจ้าแนะนําให้ทําสังฆทาน นะครับพระพุทธเจ้าแนะนําให้ทําสังฆทานเวลาจะให้ควรน้อมใจละลึกนึกถึงคุณของพระ อ, องค์นะครับควรละลึกนึกถึงคุณของพระธรรมนึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นบางแห่งนะครับเขาให้ทานนี้เขาฉลาดนะครับเขาจะกล่าวว่าอีมาณิมะยังพันเตภตาณิสปริวราณิเป็นต้นเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเขาก็กล่าวว่าสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายาปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโนเขาจะกล่าวบทสังฆ ค, คุณก่อนนะครับแล้วเขาจึงให้ทานนั้นไป เพราะฉะนั้นทานของเขาเนี่ยเจาะจงมุ่งไปหาหมู่ผ้ารียสงทั้งหลายผู้ประพฤติดีผู้ปฏิบัติชอบทั้งหลายนะครับผู้จะมารับเขาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเกณฑ์หรอกครับเป็นพระหนุ่มเป็นเนรน้อยบวชวันสองวันหรือบวชมากี่ร้อยปีก็ช่างเถอะเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เกี่ยงนะครับ เพราเกี่ยงไปว่ามุ่งไปที่อริยสงฆ์ที่เป็นสาวก ข, ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกับที่โยมท่านหนึ่งแนะนําว่าเออเวลาเห็นพระใช้ผ้ามัวมมอหมอหน่อยเวลาจะให้ก็นึกถึงพระมหากรสปาก่อแล้วกันอย่างเงี้ยนะก็รักษาใจได้เห็นผ้านมหน้าตาหล่อหหน่อยก็นึกถึงพระราหุล น, นะแล้วก็ให้ทานไปนะครับโอ้โหองค์นี้ดูเรียนมากออืให้ทานเหมือนก็กําลังจะทำบุญกับพระอานนท์ก่อแล้วกันนะนะโอ้องค์นี้ใครในการศึกษา เหมือนกับทําบุญกับพระราหุลองค์นี้หมายดูมีสติปัญญาแล้วเกินนึกว่ากําลังทําบุญกับพระสารีบุตรนะครับก็เจริญสังฆคุณเจริญอะไรเป็นต้นไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องศึกษาเรื่องพระตรัสรัยให้เข้าใจให้ดีให้เพียงพอถ้าเข้าใจคุณแล้วไม่น่ามีปัญหานะครับใครจะรับของเราก็เอาเถอะนะครับบุญจะมากจะน้อยอยู่ที่การรักษาจิตของเราเพราะบุญไม่ใช่อารมณ์นะครับไม่ใช่เข้าของบุญนั้นเป็นเรื่องของกุศลจิตนะครับกามาวาจารังกุศลังจิตตังนะครับ นะการมาวจรกุศลจิตที่เกิดขึ้นตัวนั้นแหละเป็นเป็นบุญนะครับถ้ามีปัญญาประกอบชําระได้ปรารบกรรมสกตาปรารบโลกนี้ปรารบโลกหน้าเป็นต้นก็จะดีนะครับแล้วก็ปรารบอีกอย่างหนึ่งก็น่าคิดเวลาจะให้ก็นี่นะคนทั้งหลายที่ไม่ได้ให้นี่ก็เขาจึงเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเราอย่าได้เดือดร้อนแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็ให้ต่อไปนะครับเพื่อปรารบชีวิตที่จะมีต่อไปในภายภาคหน้านะครับเอ่อ ธรรมทานเนี่ยนะครับเป็นเหตุให้ให้ทําทานทุกชนิดนะครับเพราะว่าธรรมทานที่เป็นโลกิยานี่นะครับเป็นเหตุแห่งทานทุกอย่างแล้วก็เป็นรากเงาของสมบัติทั้งปวงนะครับด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าการให้ทําเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงนะครับสัพพทานนางธรรมทานนางชินาตินะครับก็คือการให้ทําเป็นทานนะครับหรือว่ารถแห่งธรรม ย่อมชนะรถทั้งปวงความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตัหาย่อมชนะทุกทั้งปวงนะครับทีนี้ในเรื่องของการให้ทมเป็นทานเนี่ยนะครับสำคัญมากก็คือต้องถ้าให้ทมเป็นทานที่ถูกต้องก็มีผลหาประมาณไม่ได้อย่างที่กล่าวไปแล้วแต่ถ้าหากว่าให้อะทมเป็นทานนะครับ ให้สิ่งที่ไม่ใช่ทำเป็นทานก็คือแจกจ่ายมิจฉาทิถิไปดีๆนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแจกจ่ายมิจฉาทิถีไปก็ต้องมันก็ตรงกันข้ามนะครับเนี่ยนะถ้าให้ยารักษาโรคเนี่ยนะครับเป็นไปเพื่อหายโรคแก่ผู้รับถ้าให้ยาพิษไปก็เป็นไปเพื่อโรคแก่ผู้รับนะครับมันก็ตรงกันข้ามเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น เ, เวลาจะให้เนี่ยนะก็ต้องมั่นใจว่าเป็นธรรมจริงๆนะครับแล้วค่อยให้นะครับตรงนี้อาจารย์ผม ผมมีเทปอยู่ชุดหนึ่งเนี่ยนะแล้วผมก็คิดถึงเพื่อนของว่าเอ้เข้าชอบเทปชุดนี้นะแต่ว่าเทปตัวนั้นนะครับมันมันก็มีทั้งธรรมบ้างทั้งทั้งสิ่งที่เราก็ไม่แน่ใจว่าเอ้มันเป็นธรรมะที่ถูกต้องหรือเปล่านะครั บ, รบเราจะให้ไปเนะี่ยมันจะเป็นผลดีผลร้ายยังไงนะครั บ, รบก็ถ้าจะรับทั้งดีทั้งชั่วก็ให้ไปควรให้นะครับถ้าจะถ้ายินดีจะรับทั้งสองอย่างนะครับก็เอาเลยนะครับ ก็ควรให้นะครับถ้าอยากให้ใครโยนทุเรียนมาให้เราทั้งลูกพร้อมกันทั้งเปลือกทั <in ad> ้งอะไรหมดนะครับแล้วเราเอามือเปล่าเนี่ยลองรับก็ยินดีครับตามใจเดี๋ยวว่าไปห้ามอีกลำบากนะครับครับก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะโยนใส่หน้าเอาหน้ารับอย่างนี้แต่เนี่ยครับหรือบางทีก็หมดอร่อยซะก่อน ก็สุดแท้นะครับพิจารณาเอากันแล้วกันนะครับว่าถ้าเป็นของพระสัมมาสัมพ <tinc S 2> ุทธเจ้าก็ดีไปนะครับแต่แต่ผมเนี่ยสังเวชใจอยู่อย่างหนึ่งนะผมเนี่ยที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยผมไม่ได้ศึกษาพระธรรมตามพระไตรปิฎกมาตั้งแต่แรกเลยเมื่อไม่ได้ตั้งแต่แรกมาเลยนะครับผมก็มาคิดดูว่าผมคงเผยแผ่มิจฉาทิฏฐิไว้นะครับผมจึงไม่ได้รับการศึกษาพระไตรปิฎกตั้งแต่เริ่มเลย ผมก็คิดนะเออถ้าผมเรียนแบบนี้มาตั้งกต่เริ่มเดิมทีแรกเริ่มเลยนะผมคงมีความรู้มากกว่านี้เยอะนักนะครับ <S <S ผมสงสัยอาให้อะไรผิดผิดเอาไว้มั้งนะครับทางการนั้นมาก็เลยเริ่มไม่เอาแล้วนะครับ <S <S <S <S ต่อไปนะว่าเอในอธิการนี้นะครับภัยทานเพิ่งทราบว่าทรงสงเคราะห์เข้ากันด้วยธรรมทานนั่นเองเออรักษาศีลเนี่ยนะครับสงเคราะห์เป็นธรรมทานนะ นะเพราะว่าศีลทั้งหลายเช่นมีชีวิตดินศีลเป็นอารมณ์เนี่ยนะถ้าสมาทานศีลนี่นะครับก็เป็นลักษณะของธรรมทานเหมือนกันนะทำไมสามารถไปเทศสอนใครได้ก็ตั้งใจสมาทานศีลเอาก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาศีลนี่เป็นประเภทธรรมทานนะดีกว่าอมิสถานนะครั บ, รบทําไมถึงเรียกว่าธรรมทานครับในเมื่อศีลไม่ได้ให้อะไรใครเลยก็รักษาอยู่กับตัวเองก็ให้ชีวิตเป็นทานไงครับ อย่างหนึ่งให้ชีวิตเป็นทานทำไมถึงได้กว่าให้ชีวิตเป็นทานเอ้าก็เราไม่ฆ่าเขาอก็ให้ชีวิตเขาเป็นทานสิครับใช่ไหมเราไม่ถือเอาทราัพย์สินของเขาก็ให้ทรัพย์สมบัติเขาเป็นทานนะครับให้ความปลอดภัยกับปุตพัญญาของเขานะครับให้คําสัตย์คําจริงเป็นต้นกับเขาเพราะฉะนั้นก็ชื่อว่าให้ทําเป็นทานนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นก่อนนะครับให้ความสุขแก่เขาอ่ะนะให้ความสุขแก่เขาด้วยที่เขาไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะเราเลยนะครับ มันให้ความสบายใจของเขาทีนี้ใจที่สบายก็เป็นธรรมะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ความสบายให้ความปลอดภัยกับเขานะครับการไม่บริโภคปัจจัยทั้งหลายเสียเองแต่ปัจจัยสีอันตนพึงบริโภคแล้วแจกจ่ายแก่คนเราอื่นโดยมีความประสงค์จะเผื่อแผ่แก่คนอื่นชื่อว่าอามิสสังวิภาคนะครับการแจกจ่ายอามิสสังวิภาคเนี่ยแปล ว, ว่าการแจกจ่าย นะการแจกจ่ายอนะมิตรนะมีข้าวของเครื่องใช้ก็มาแจกจ่ายนะเอาคนนั้นเอาไปคนนี้เอาไปเนี่ยนะเป็นต้นเนี้นคำว่าแจกจ่ายความเป็นผู้ไม่มีความขวนขวายน้อยนะคือไม่ขี้เกียจขี้คร้านเนี่ยนะครับสแสดงอ้างธรรมะที่ตนรู้แล้วคือบรรลุแล้วแก่คนอื่นโดยมีความประสงค์จะเผื่อแผ่ธรรมะแก่คนทั่วไปจึงชื่อว่าธรรมะสังวิภาคแจกจ่ายธรรมนะครับมีความรู้แล้วก็ไม่อุบเก็บไว้คนเดียวนะครับ รู้บาลีแล้วก็ช่วยสงเคราะห์ผ้าเนนเป็นต้นเนี่ยนะครับเรียกเรียกว่าทำมสสังมิภาคนะครับแจกจ่ายทำนะครับลักษณะนี้นะครับต่อไปก็การอนุเคราะห์นะครับอนุเคราะห์เนี่ยนะสังฆะนะนุกฆะหรืออนุหะนะครับว่าการอนุเคราะห์การสงเคราะห์คนเราอื่นด้วยปัจจัยสี่แล้วก็ด้วยสังฆะวัตถุสี่นะครับชื่อว่าอามิสานุกฆโหนะครับการสงเคราะห์ด้วยอามิตรนะครับแต่นี้เราก็ช่วยเหลือกันอยู่แล้วนะสงเคราะห์กันบางทีก็ ทานนะครับส่งข้อกันด้วยทานช่วยยิบช่วยยื่นทั้งหลายแล้วเนี่ยนะอัตถจริยาสมานตตานะครับเป็นต้นเนี่ยก็ช่วยช่วยเหลือกันอยู่แล้วนะครับเรียกว่าสังคะวัตถุนะช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปส่งเคราะอัเคราะห์กันไปที่จริงแล้วชีวิตประจําวันเนี่ยนะเราก็ทํากันเยอะนะเช่นการให้เราก็ให้นะครับมีอะไรพอช่วยให้กันได้ก็ให้กันไปนะครับหรือบางทีก็วางตนสม่ําเสมอการเช่นร่วมรับประทานร่วมขบร่วมชั้นร่วมเป็นอยู่เนี่ยนะสมานตตา แล้วก็อะไรที่จะเป็นประโยชน์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ก็เป็นอัถจริยากันไปนะครับแล้วก็ถึงความเป็นมิตรกันนะครับกาลยานามิตรตาเป็นต้นเนี่ยนะการอนุเคราะห์การสงเคราะห์คนเราอื่นด้วยธรรมะดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละครับคือแสดงสิ่งที่ตนรู้แล้วเนี่ยนะที่บรรลุแล้วแก่คนอื่นโดยประสงค์จะเผื่อแผ่ไปนี่เรียกว่าธรรมะนุขะนะครับหมายถางว่าการอนุเคราะห์ด้วยธรรมนะ ทีนี้ในบรรดาการแจกจ่ายนี่นะครับแจกจ่ายธรรมนี่เป็นเลิศการอนุเคราะห์ด้วยธรรมนี่เป็นเลิศนะครับ